5สมาธิภาวนา4 1. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะส สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรเคอพิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังกัดจากกามและอคติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์และถึงบรรลุจตุฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่สมาธิภาวานานี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวานาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มานัสิกานถึงอาโลกสัญญาความกําหนดหมายในแสงสว่าง อธิษฐานที่วาสัญญาความกำหนดว่ากลางวันว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สมาธิภาวานานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะสมาธิภาวานาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไร คือภิสษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ 6. ออปมัญญาสี่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1.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 แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 3. มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะ ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 4. มีอุเบกขาจิตแพรไปตลอดที่ที่1ทิที่สองทิที่สมทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแพรไปตลอดโลกทั่วทุกโมเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เจอรูป4ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. บรรลุอากาศานัญญยตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิคะสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวง 2. ล่วงอากาสานัญญยตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญญยตนะฌานโดยกําหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 3. ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกําหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 4. ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ อปัอเสนธรรมรำเป็นดุจพนักพิงสี่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่ง 2. พิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่ง 3. พิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่ง 4. พิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่ง ปริยวงสีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครันได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนคมผู้อื่น เพราะความสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 2. ส, สันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได้ ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบินทบาทเป็นเหตุไม่ได้บินทบาทก็ไม่กรวันกระวายคลั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษ ด, ด้วยบินทบาทตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษ ด, ด้วยบิทบาทตามแต่จะได้นั้น ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 3. สันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กลัววังกลวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลง มองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสะนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษ ด, ด้วยเสนาสะนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าลัมเลิศเป็นของเก่า 4. มีปหานะการละ เป็นที่ยินดียินดีในปหานะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่ยินดียินดีในปหานะเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 10. ประธานส 1. สังวรประธานเพียระวัง 2. ประานนประธานเพียรละ 3. ภาวนาประทานเพียรเจริญ 4. อนุรักษณาประทานเพียรตามรักษาสังวรประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสารวมจากขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลรรธรรมคืออภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของของเขา และโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามณินทรียีถึงความสํารวมในมณินทรียีนี้เรียกว่าสังวรประทานปหานประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและถึงไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นละถึง ไม่ยินดีบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหาณประทานภาวนาประทานเป็นอย่างไรเพือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะ เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรเจริญปีติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจเจริญสมาธิสัมโพชง ทำเป็นองค์แห่งการตัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสำพูดชงทำเป็นองค์แห่งการตัสรู้คือความวางใจเป็นกลางที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวตสักะนี้เรียกว่าภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิต ที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนปุลุวากะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคล้ำเต็มไปหมดวินีละกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆวิปุปะกะสัญญา กำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกวิจิตตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่คาจากกันเป็นสองท่อนอุทุมาตะกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืร์ด น, นี้เรียกว่าอนุรักษณาประทาน 11. บยานความรู้สี่ธรรมยานความรู้ในธรรม 2. อัญวยะยานความรู้ในการคล้อยตาม 3. ปริยาญยความรู้ในการกาหนดจิตของผู้อื่น 4. สมมติยานความรู้ในสมมติ 12. ญยานสี่อีกในหนึ่ง 1. ทุกขญาณความรู้ในทุกข์ 2. ทุกขสมุททะยานความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกขาทุกขนิโรธยานความรู้ในความดับแห่งทุกขี 4. ทุกขนิโรธคามเมณีปฏิปทาญานความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุก 3. องค์แห่งการบรรลุโสดาบันส 1. สปุริสะสังเสวะการคบหาสัต บ, บุรุษ 2. สัทธ ม, มัสสวนะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิโสมนสิการการมโนสิการโดยแยกคาย 4. ธัมมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 14. องค์แห่งพระโสดาบัน4พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสรตทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม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 สเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่พระอริยบุคคลสี่คู่คือ8ดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทาอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ สิบห้าสามัญญผลผลอย่างความเป็นสมณะสี่หนึ่งโซดาปฏิผลสองสกะทาคามิผลสามอนาคามิผลสี่อรหัตผลสิบหกท่าสี่หนึ่งปัฐวีท่าท่าดิน 2. อ, อาโปธาธาต้าน้ำา3เตโชธาธาตไฟสวายโยธาธาตลม 17. อาหารสี่กาวลีการาาหารอาหารคือคข้าวทั้งหยาบและละเอียด 2. ผัสผสาหารอาหารคือผัสสะ 3. ม, มโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญญาเจตนา 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณ 18. วิญญาณชิติ4 1. นวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าถึงรูปเมื่อดำรงอยู่ก็มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ 2. ว, วิญญาณที่เข้าถึงเวทนา 3. วิญญาณที่เข้าถึงสัญญา 4. วิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปสวยความเพลิด เ, เพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ 19. การถึงอคติความลำเอียง4 1. ชั้นทาคติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทษาคติลำเอียงเพราะชัง 3. มโมหาคติลำเอียงเพราะหลง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัว20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 ยี่สิบสองปฏิปทาสี่อีกในหนึ่ง 1. อัคคมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน 2. คขมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่อดทน 3. ธรมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ข่มใจ 4. สมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ระงับ สธรรมบท4 1. ธรรมบทคืออนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 2. ธรรมบทคืออพยาบาทความไม่คิดร้าย 3. ธรรมบทคือสัมมาสติความระลึกชอบ 4. ธรรมบทคือสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบ ส, สิการสมาทานธรรมการเถอปฏิบัติธรรม4 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต 25. ธรรมขันธ์สีศีลขันธ์กองศีล 2. สมาธิขันธ์กองสมาธิ 3. ปัญญาขันธ์กองปัญญา 4. วิมุติขันกองวิมุติ 26. พภละส 1. วิริยะภละกำลังคือวิริยะสสติภละกำลังคือสติ 3. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 4, ปัญญาภละกำลังคือปัญญา27อธิษฐานธรรมที่ตั้งไว้ในใจ4 1. ปัญญาธิษฐานธรรมที่ตั้งไว้ในใจคือปัญญา 2. สัจจาธิษฐานธรรมที่ตั้งไว้ในใจคือสัจจะ 3. จาคาธิษฐาน ธรรมที่ตั้งไว้ในใจคือจาคะ 4. อุปสมาที่ฐานธรรมที่ตั้งไว้ในใจคืออุปสมา 28. ปัญหาพยากรณ์เอเกังสะพยากรณียะปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียว 2. ปฏิปุชาพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม 3. วิพัฒชะพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกตอบ 4. ี่ทับนิยปัญหาปัญหาที่ควรงดตอบ 29. กรรมสีกรรมดํามีวิบากดํา 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดําและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดําและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม สามสิัจจิกรณียธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้ง4 1. ปุเพนิวาทควรทำให้แจ้งด้วยสติ 2. การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุ 3. วิโมกแปดควรทำให้แจ้งด้วยกาย 4. ความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา 31. โอคะห่วงน้ำส 1. กาโมคะโอค ะ, ะคือกาลสองพโวโอคะคือภพบ 3. ทิโคะโอคะคือทิฐิ 4. อวิโชคะโอค ะ, ะคืออวิชา3าโยคะ สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพบ4 1. กามโยคะโยคะคือกาม 2. ภวะโยคะโยคะคือภพบ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชายโยคะโยคะคืออวิชา สาวิสังโยคะความพลากส 1. งกามโยควิสังโยคะความพลากจากกามโยคะ 2. ภวะโยควิสังโยคะความพลากจากภวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะวิสังโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะ 4. อวิชชาโยคะวิสังโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ 34มคันทะเครื่องร้อยรัตส 1. อภิชากายะคันถะกายะคันถะคืออภิชา 2. พยาปาทกายคันทะกายคันถะคือพยาบาท 3. าสีละพตาปรามาสกายคันถะกายคันถะคือสีละพตาปรามาตส 4. อีทางสัจจะพินิเวสกายะคันทะ กายคันธะคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง 35. อุปาทานความถือมั่นส 1. กามุปาทานความถือมั่นในกาม 2. ที่ถูกปาทานความถือมั่นในทิฏฐิ 3. สีละปะตุปาทานความถือมั่นในศีลพรต 4. อัตวาทุปาทานความถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตา 36. โยนิกำเนิดสี่ 1. อันทชโยนิ กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่สชะลาผู้ชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในคันภาสังเศษทัชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าไขร 4. โอปปาติกะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้น 37. มสิเจ็ดการก้าลงสู่คันภี่หสัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในคั น, นของมารดาและไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันประการที่1 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดา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 38. การได้อัตภาพ4 1. การได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนดําเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไป 2. การได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของตนดําเนินไป 3. การได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนและสัญญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไป 4. การได้อัตภาพที่มิใช่สัญญเจตนาของตนและมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป 39. ทักขิณาวิสุทธิความบริสุทธิแห่งทักษิณา4 1. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้ แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้รับ 2. ทัคซีนาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษินาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกสทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ส0สังคหวัตถุทมเครื่องยึดเหนียว4 1. ทานการให้ 2. เปยยวัชวาจาเป็นที่รัก 3. อัธเจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานตตาการวางตนสม่ำเสมอส1 อนารยะโวหารวิธีการพูดของผู้มิใช่อริยสี่หนึ่งมุสาวาทพูดเท็จสองปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดสามพรุสวาจาพูดคำหยาบสี่สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจอ้อ สีอริยโวหารวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ4 1. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 2. ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. าภรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ สสัมผัสปลาปาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพอเจอ้ 43. อ 43. ่สอนาริยโวหารสี่อีกในหนึ่ง 1. นึงางกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้สี่สิบสี่อริยโวหารสี่อีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ 45. อนรรยะโวหารสอีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ 46. อริยโวหารสอีกในหนึ่งงการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้47เ็ บุคคล4 1. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่มั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเ <c oughs> ขาผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทาผู้อื่นให้เดือดร้อน <c oughs> เป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันเทียว ส8บุคคล4อีกในหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 49บุคคลสี่อีกในหนึ่ง 1. ตะตโมตะมะประยะโนผู้มืดมาและมืดไป 2. ตะตโมโชติประยะโนผู้มืดมาแต่สว่างไป 3. โชติตะมะประยะโนผู้สว่างมาแต่มืดไป 4. โชติโชติประยะโน ผู้สว่างมาและสว่างไปห้าสิบบุคคล4อีกในหนึ่ง 1. สมณะอาจาระสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. สมณะปทุมะสมณะเหมือนดอกปทุม 3. สมณะ บุญธลิกะสมณะเหมือนดอกบุญธลิก 4. สมณะเนสุสมณะสุขุมาละสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณนะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือทำหมดละสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังายนา